ข้าคุณพระรันตนใพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอาการพระอาจารย์ใบศารอาจารย์โน้ตเพื่อสัตยมิตเจริญพ อ, อยังแม่ชีและญาติที่ททุกท่านฟังทับกับลาวสบายวันนี้ก็ถือเป็นวันดีวันเกิดครบ60ปีของอาจารย์ใบศ า, ารและเพลินประตรงกับวันวิสาขาบูชาวันเกิดของอาจารย์แน่ น, นอนอยู่แล้ววันที่สิพฤษภาคมแต่วันวิสาขาบูชาเนี่ยไม่แน่ไม่นอน ถือว่าเป็นประจวมเหมาะถึงเกิดขึ้นได้ยากอ่านมาก็ตั้งใจจะพูดเรื่องอาจารย์ไปศาลที่เขาพระเจ้าสัมผัสเพราะตัวของอ่าบมากเนี่ยก็ทำงานเผยแพร่ธรรมะของอาจารย์ไปศาลนี่แหละข้อคิดข้อเขียนลงคมๆลงเฟซบุ๊กแล้วก็เสนอกิจกรรมต่างๆของวัดป่าสุกโตของภูหลงส่วนมากอาจารย์ไปศาลบร ร, บ ร, า ร, บรยายธรเสร็จ อันมาก็จะรีบนำไปตัดแ ต, แต่งเสียงใส่ดนตรีแล้วนำไปโพสต์ลงเนต็ตแล้วก็แชร์ลิงก์ไปที่เฟซบุ๊กที่หลายบ้างไปอามาก็คนติดตามคนเยอะมากเลยตอนหลังเนี่ยคนสมัยนี้มักจะทุกใจกันมากหาที่พึ่งทางใจกันและธรรมะของอาจารย์ป็สารเนี่ยเป็นที่ยอมรับของคนหลายระดับไม่ว่าจะเป็นพวกเข้ามาใหม่ เพราะธรรมะของท่านฟังง่ายและให้กําลังใจหรือพวกที่ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันอาจารย์ก็พยายามพูดธรรมะให้มีสมาธิธผีฟ้าเห็นถูกต้องวางจิตวางใจให้มันให้เป็นฉะนั้นธรรมะขออาจารย์ไพสาลเนี่ยจึงฟังได้ทุกระดับและไปที่ตอบโจทย์คนสมัยนี้ข้อคิดข้อเขียนต่งตางๆที่มาไปลงเนี่ยบางคนเกิดฟังทุกข์ขึ้นมาเนี่ยหาแล้ออกไปได้ บางทีข้อคิดก็ข เ, ขเขียนแล้วอ่านแล้วปิ้งขึ้นมาโดนใจไงหลุดจากอารมณ์นั้นได้เลยนะมีหลายคนสาธุดีใจที่ว่าตัวเองกําลังทุกข์อยู่จุดนั้นแหละแล้วแก้ไขไม่ได้ไงเพลินไปอ่านปุ๊บแล้วปล่อยวางได้แล้วก็มีหนังสือขอจานเนี่ยหลายเล่มอย่างเรามาชอบก็คือหนังสือฉลาดทําใจที่พิมพ์โดยเครือข่ายพุติกาเล่มเนี้ยถือว่าเป็นเล่มที่สุดยอดเลยไม่รู้พวกโยมมีกันหรือเปล่าถ้ามมีก็หาซะเล่มนี้ คือเล่มนี้รู้สจะเป็นเล่มที่อ่านง่ายแล้วตอบโจทย์ทุกคนคือว่าตั้งแต่ของหายสูญเสียคนรักตกงานอกหักพ่อตายแม่ตายพี่กงพิการเจ็บป่วยแฟนทิ้งหรือโดนเพื่อนแกล้งหรือทำงานแล้ว <c oughs> ไม่สมหวังอะไรต่างๆเดี๋ยจะคุมหมดเลยทุกเรื่อง บางคนกำลังทุกข์เนี่ยพออ่านเล่มนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้ฉลาดในการทำใจมากขึ้นอย่างอาตมาก็มีหลายเรื่องนะเมื่อก่อนอาตมาก็คิดอะไรแบบโง่ๆเยอะพออ่านสือขออาจารย์เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงได้เพราะบางตัวเนี่ยโดนกับเราเองเพราะคนเราเนี่ยก็ต้องให้ค่ชีนะเหมือนกันบางทีคิดเองไม่ออกเส้นผมบางภูเขาบางทีอย่างคนเรียารู้จักเนี่ยของหายหรือสูญเสียคนรักเนี่ย หรือหมดกำลังใจเยเราสามารถพูดปลอบใจเขาได้นะปลอบใจให้สู้ชีวิตให้วางใจอย่างงู้อย่างนี้แต่พอเกิดขึ้นกับเราเองเนี่ยบางครั้งมันก็มัน ก, มนก็มันก็ทำใจยากอย่างมีบางคนเคยถามอาตมาว่าเนี่ยเรารู้ว่าปล่อยวางอย่าเงี้ยแล้วเวลาเกิดลูกตัวเองตายขึ้นมามันทําใจยากนะเพราะว่าลูกตายเนี่ยบางทีพ่ อ, อไปงานศพลูกเนี้ยแม่ไปงานศพลูกเนี้ย จะทํำยังไงอาตมาก็ตอบไปต่อไปว่าให้เรายอมรับความเป็นจริงเพราะมันคุมทุกเรื่องเลยนะถ้าเราไม่ยอมรับความเป็นจริงเนี่ยการปล่อยวางจะไม่เกิดขึ้นเลยการฝึกก็ไม่เกิดขึ้นสมมุติเราเป็นคนที่โลคแต่เราไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนโลรคเราจะแก้ไขได้ยังไงเพราะอาการต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเชื้อโรคที่ว่าธรรมะคือยารักษาเราไม่รู้เราเป็นโรคอะไรก็รักษาไม่ได้แล้ว เรารู้ว่าเราเป็นคนที่ขี้ฉาแต่เราไม่รู้ว่าเราอิฉาเนี่ยเราก็รักษาไม่ได้คนขี้โกรธจะดูง่ายหน่อยคนขี้โมโ ห, โหนี่อะไรขาดใจหมดแลละไอ้นี่กวางหูกวางตาเมื่อไม่กี่วันก่อนอารมาก็ดูวิโดีโอคลิปเนี่ยมีอยู่คลิปหนึ่งนะเหตุการณ์เกิดที่บขสพระเนี่ยโดนโยมต่อว่ามะอาจจะหยำหยันอะไรสักอย่างเนี่ยโจนพระเนี่ยโมโหสุดขี ปาดเข้าไปตบหน้าโยมผู้หญิงทั้งสุดแรงเลยแล้วผู้ชายอยู่ข้างหลังเนี่ยก็มาชกต่อยกับพระอุตรุรดภาพ น, นี้เกิดขึ้นที่บขสคนก็ดูกันเต็มเลยคือพระเขาคุ้ตัวเองไม่ได้เพราะตอนนั้นฟาร์มโกรธเนี่ยมันเข้ามาจิตใจอย่างรุนแรงแล้วอันมาชมแล้วก็สังเวชใจนะเพราะว่าถ้าเรามีสติหน่อยนะเราก็จะเดินหนีไปไม่ต้องไปตบผู้หญิงแล้วก็ไม่ต้องไปต่อยกับโยมที่มันดูแล้ว เสียหายมากเลยเหมือนกับลายของเจ้านอตกาบไวคูอะ่ะนั่นก็อารมณ์ชั่วมูบสิ่งที่ทำมันเสียหายไลาแรงต้องตกงานถูกสังคมประนามมากมายเลยเสียชื่อเสียงด้วยเพราะสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ขอไม่เที่ยงอยู่กับเราเดี๋ยวมันก็อไปเอาแน่นอนเลยไม่ได้เมื่อปีแล้วนะเข้าเปสาตลอด ทันสารเนี่ยอาตาสังเกตจะไม่มีแมงม้าเลยนะแมงม้าหายเกี้ยงเลยว่าปสุกโตซึ่งไม่เคยมีปรากฏเหตุการณ์นี้เนี่ยแมงม้าพุ่ปรากฏการเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยเริ่มโผล่มาแม้แต่ธรรมชาติมันก็ไม่แน่นอนนะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็ฝนตกหนักบางปีเนี่ยน้ําแห้งที่สาที่ส า, สาเนี่ยลงไปได้เลยแหละปีนี้เกาะยังไม่โผล่ขึ้นไปเลยตต่หลังนี้ดอกวกัวจะขึ้น แต่บางปีก็ท่วมจนเกือบขอบสะพานธรรมชาติไม่ได้เป็นลังใจเราเอาแน่นอนอะไรไม่ได้จจไปสานยังสอนเสมอให้หวังจะให้เป็นถ้าวังจะให้เป็นเนี่ยเจออะไรก็ทุกหมดเพราะเราอยู่ใต้โลกธรรมเนี่ยมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกมีเสืเสริมีอินทาเราโดนนะโดนทุกคนอย่ากใจพสานเนี่ย อัตมาโ พ, พสทมาลงไปเนี่ยจะมีคนกดไลค์คนสาธุตลอดนะแต่มีอยู่คนหนึ่งที่ตามด่าอาจ า, ารย์ไพศาลทุกโพสจองล้างจองเวรเขาชื่อสุเมศวันนี้ก็ด่าอาจ า, ารย์ไพศาลบอกว่าไปปลูกป่าเนี่ยสร้างภาพจ ะ, จะปลูกป่าก็ไปปลูกเองก็ได้ทํำไมต้องมาโฆษณาวันเกิดด้วยด้วยด่าตอนนั้นเรื่องเนรนเหมือนกันอัตมาโพสเรื่องเนรเขาบอกว่าวป่าสุโขทต์เขาว่าว่าเนรเนี่ย บวชไปถูกต้องอถ่ายรูปลงเฟซไม่ใช่ไม่ใช่อะไระคือปฏินนบัติผิดแหะเป็นมีจฉาทิฏฐิอะไรอะมาวาดไปแต่มามองคารมบูมของเขานะอาจารย์เนี่ยเป็นมีขิดวัส่์เนี่ยที่แข็งมากอาจารย์ไปสาเนี่ยฝนจะตกหนกักเหลือจะเดินทางลำบากเนี่ยบางทีอาจารย์ก็ไปทําวัดหรือว่าแทงทำการแทงทำเนี่ยเสียพลังมากคนไม่พูดธรรมะไม่รู้หรอก เพราะว่าอนามาพูดเองมารู้เลยว่าเสียพลังจริงเพราะว่าถ้าเกิดคนพูดไม่เก่งเนี่ยมันคิดไม่ออกนะถึงจะรู้ถึงจะมีข้อมูลอยู่แล้วมันมันไม่ออกมานะมันนึกไม่ออกอะ่ะมันพูดไม่ได้อะ่ะแต่ขออาจารย์เนี่ยอาจารย์จะทําการบ้านหาข้อมูลมาแล้วพูดให้โยมฟังเนี่ยบางวันเนี่ยธรรมบัเช้าธรรมบัเยน็นก่อนอาหารเช้าเพล่เพลมีรอบพิเศษอีกวันที่สี่รอบ มีพิเศษนะเผื่อไปงานศพหรืองานอะไรเงี้ยท่า น, นอาจารย์ก็ต้องมีข้อมูลแล้วก็ต้องมีความชํานาญมากเลยการที่พูดไม่ได้วางแผนเนี่ย <c oughs> เมื่อเช้านี้ก็มีข้านิมนต์ให้พูดตอนตีสามอันตมาถือว่เป็นเกียรติแต่มาไม่ได้วางแผนเลยมาเทศเรื่องอะไรคิดอยู่เรื่องเดียวว่าเราจะพูดเรื่องอาจารย์เปรย์สารที่ข้าวเจ้าสัมผัสเพราะว่าวันนี้วันเกิดอาจารย์เปรย์สารแล้วเรื่องข้างหน้าเดี๋ยวดำน้ําเอาข้างหน้าโยงบทนฟังกัแล้วกัน เพราะอาณาไม่อีพอดเรื่องเลยเนี่ยเพราะว่าการพูดธรรมะบางทีถ้าเตรียมเตรียมเรื่องมากเราก็อาจจะไม่ได้พูดตามที่วางแผนไว้หรอกหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่อาณาชอบก็คือริมริมทานริมลานธรรมไม่รู้อ่านชื่อผิดหรือเปล่ า, เ, า, าเออนั่นแหละเพราะว่าชื่อสับไปสับมาเล่มนี้อมีเรื่องเกี่ยวกับครูบาอาจารย์มากมายเลยเมื่อจะเป็นหลวงพ่อประสิทธิ์ที่โดน ตีตีจนเลือดอาบอะแล้วไม่เอาเรื่องอะเอาโหสิแล้วก็สมเด็จโตเรื่องเกี่ยวหัวโขนที่ว่าสมเด็จอยู่บนเรือโว้อยอะไรอะที่พยศอะแล้วก็มีอีกหลายท่านเมื่อเป็นหลวงพ่อดีเนาะหลวงพ่อดีเนาะนี่อัออมาก็ข้าบยซีนมาจากอาจารย์นะเอามาใช้เทศทั่วๆไปดัดแปลงนิดหน่อยเพราะพูดภาษาไตล์แต่เป็นคามคิดขออาจารย์เท่านั้นเลยเพราะว่าอาจารย์เนี่ย ไปคนบุกเบิกแม้จะเป็นหลวงพ่อดีเนาะหลวงปู่ดูหลวงปู่บุรดาเนี่ยบางทีเราไมเ่เราไม่ต้องไปหาเรื่องหรอกนึกถึงลานทําริมน้ํารนี่เลยนะ <c oughs> ไม่เราแค่แค่คิดจะ3มเรื่องน่ะเราก็จบแล้วครึ่งชั่วโมงสบายหนังสือพวกนี้มีประโยชน์นม้นจะเป็นปฏิปทาของหลวงปู่มั่นหลวงปู่บ้านหลวงปู่ขาวผจญช้างแล้วก็อุบายของหลวงปู่จวนสมัยที่ตอนที่ยังไม่บวชอะ่ะ เจอเทาสาวอะไรเงี้ยแล้วใจรักผู้หญิงก็ไปแอบ <laughs> ดูผู้หญิงขี้อะแล้วเห็นขี้ก็เลยเลิกรักเลยก็มีอุบายเยอะครูบาอาจารย์แล้วก็หลวงปู่ชาก็มีหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่ฝรั่งเนี่ยคิดถึงคนรักเนี่ยหลวงปู่ชาก็ให้เอาให้เธอเนี่ยฝากฝากขี้เนี่ยใส่ขวดมาแล้วลคิดถึงทีก็ดมทีเงี้ยมีมีมุกขำมีมุกแบบอ่านสบายสบายแล้วมีสาระในตัว มีหลายเรื่องแล้วเราหาดีๆนะจะเจอแล้วก็มีเล่มเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็เปลี่ยนอันนี้ก็ดีให้กําลังใจเพราะคนส่วนมากเนี่ยจะไม่ค่อยยอมเปลี่ยนวิธีคิดหรอกจะหวงแหนความคิดเดิมๆไว้คือปิดกั้นตัวเองไงคือทําไงก็ทํางั้นแหละบางทีเพื่อนเสนอความคิดที่ดีกว่ า, mm. าก็ไม่ยอมทําตามเพื่อนชีวิตเจริญยากต่อให้มีความรู้แค่ไหนนะ mm. เดี๋ยวก็ไปทะเลาะคนทุกคนนี้ผู้ใหญ่ก็ไม่ับสนุน ขัดแย้งอยู่เริ่มไปแหละคนที่ปิดกั้นตัวเองนะผิดคน ท, ที่ยอมรับตัวเองเปิดกว้างกดดูเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ไหนก็ทําไงก็ดูหน่อยอย่างกันมาเนี่ยไปเที่ยววัดไหนนะมาจะดูเหตุการณ์นะว่าเขาทําไงเขาสวดมนต์แบบไหนเราปรับตัวเข้าเขาหมดแหละไม่ขัดแยง้งแต่ถ้าคนไหนไม่ไม่ดูไม่ทาตามแนละ้วก็จะเอาตัวเองเลยเปศูนย์กลางเลยกูทำอย่างนี้นะไม่ยอมเข้าหมู่เขาทำํำ อะไรเงก็ขัดแย้งล่าไปชีวิตไปไหนไ ม, มีคนเกียรติไม่มีใครรักอย่างวันนี้เป็นวันที่ธรรมะรู้สึกมีคนทักอรรมามากขุดเลยตั้งแต่เช้ามาเนี่ยแต่เราก็รู้จักเขามั้งไม่รู้จักเขามั้งนะเพราะส่วนมากจะเป็นแฟนใน f เฟซบ o ๊กก็แหละเขารู้รู้จักเราแต่ว่าบางทีเราไม่รู้จักเขาไงบางทีเขาอ่านธรรมะที่เราโพสต์บางทีก็ฟังเสียงธรรมะที่เราเอาไปใส่เน็ตอะ่ะเขาก็ทักทายยกวิวไหว บางทีเราก็เขินไม่รู้จะทักเขาไงเราไม่รู้จักเขาเกิดทักมั่งไปทักบ้างแต่ถือว่าเยอะนะปัจจุบ น, นเยอะมากเมื่อก่อนอามาเนี่ยเทศไม่เป็นหรอกต้องใช้เวลาหังสิปีกว่าจะได้เทศนะก็เพราะอาจารย์ไปสาเนี่แหละให้เทศ Facebook เนี่ยเล่นใหม่ๆก็เล่นไม่เป็นนะต้องถามพวกยุมด้วยว่ามั น, นส่งไปยังไงเนี่ยกดส่งอ่ยข้อความเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกแต่ก็ยังงงๆอยู่ทุกวันนี้เล่นมาได้ยังไง โพะธรรมะได้ยังไงมันก็ไปก็มาเรื่อยๆนะกลายเป็นได้ทำประโยชน์ไปคืออธิบายเป็นคชอบอ่านหนังสือหาความรู้ไงแต่ความรู้ตัวนี้มันไม่สามารถเผยแพร่ได้เพราะว่าหนึ่งเทศก็ไม่ได้เทศแล้วเราขี้อายด้วยเฟซบุ๊กเนี่ยเป็นตัวที่ตอบโจทย์ทําให้เราได้ได้แสดงความรู้ที่เราเคยมีอยู่ไม่่าจะเป็นกนหรหลวงพ่อพุทธทาสหรือธรรมะต่างๆที่เรารู้บางทีอ า, านะิบาณเนี่ยรู้หมดธรรมาแป๊บเดียวนะพอพูดเรื่องไหนปุ๊บเนี่ย ไอสิ่งีเราเคยอ่านเนี่ยมันลากมาเลยแป๊บเดียวถ้าคนไม่เคยอ่าน air, มันไม่รู้นะมันงงเพราะส่วนนี้แหละเป็นส่วนที่เหมือนเชื่อมต่อสิ่งที่อัลมาขาดไปสิ่งเราขาดเนี่ยเหมือนอาจารย์มาเติมให้เราอาจารย์ไม่ครอบงำนะอัลมาก็ไม่ยุ่งการเมืองของอาจารย์นะอาจารย์เขียนการเมืองมาไม่เคยแชร์มาที่เพจเฟสเลยซ้ําเพราะว่ามีจุดยืนว่าเราจะไม่ยุ่งการเมืองไม่ยุ่งทางวัตถเราจะส่งเสริมธรรมะให้คนเนี่ยปิ๊งแล้วเกิดไอเดียให้กําลังใจเเป็นนโยบายของเพจ คือผมก็ทําตามใจตัวเองการเมืองไม่ยุ่งคล้ายๆสิ่งที่เราทําเนี่ยเราก็ทำเพื่อประโยชน์คนอื่นแหละไม่มีการเรียอะไรมีจุดยืนในการเผยแพร่ธรรมทางชัดเจนไปใหม่คนไม่เชื่อถือนะพ่อคิดว่าเอ้ยทำได้กี่น้ําอันนี้ก็ทำมาหลายปีแล้วเพราะเมื่อก่อนนะเสียงอาจารย์ภาษาเนี่ยกว่าจะออกไปรับซีดีได้บางทีต้องสเดือนหรือสี่เดือนห้าเดือนด้ว ย, ว ย, วยจนอาจารย์ก็ลืมไปแล้วแหละซีดีชุดยิ้โผล่มาอันนี้เกิดไอเดียกับ กับอาจารย์ออสว่าเราสามารถทําด่วนได้ไหมสมมติว่าอาจารย์พูดตอนเนี้อีกชั่วโมงหนึ่งคนต้องได้ฟังไม่ใหม่ครับไปขึ้นความคิดพอตอนนั้นเน็ตยังไม่แรงมันยังไม่มีสามจจะโพสต์ทีไปเนื่อไวไฟผัวทองยุ่งมากเลยตอนนั้นจะไม่ไม่สามารถทําต่อหลังทำวัดเย็นได้เพราะตอนหลังเนี่ยเกิดสามจขึ้นมาสิ่งที่เรามาคิดไว้ก็เป็นจริงเราสามารถเอาเสียงอาจารย์เนี่ยลงเน็ตได้เลย คนที่อยู่ทั้งบ้านเนี่ยเขารู้เวลาเนี่ยถ้าอาจารย์อยู่วัดเนี่ยสองทุ่มก็ได้ฟังแล้วบางทีคนแก่คนเฒ่าคนที่ชอบธรรมะเขาฟังอาจารย์จนติดองอมแงมเลยไปถึงต่างประเทศแล้วลูกศิษย์อาจารย์ยังกว้างมากเลยนะไปต่างประเทศอย่างเงี้ยบางทีคนมาชมหลายหมื่นนะมาเข้ามาในในเน็ตที่ฟังเสียงทํามาเนี่ยไปดูยอดคนที่มาประโลดแล้วมาฟังแนะเยอะมากอันนังมีฟ้าสุขทุกครั้งแหละอย่างวันวิสาขาวันนี้อาจารย์พูดเสร็จเนี่ย อาจารย์พูดเรื่องวันวิสาไปไปโพสพรุ่งนี้ไปได้นะเพราะมันคนละวันผมก็ต้องรีบทําให้เสร็จเพราะว่าเนื้อเรื่องมันบังคับสมมติไปโพสพรุ่งนี้ก็จืดและคนอารมณ์ลวถ้าเป็นโพสต์ไปทํปรรมามะอย่างอื่นนี้ได้อย่างวันวิสาเป็มาคาทเนี่ยให้ดึกไงก็ต้องโพสลงให้ได้ถือเป็นงานพักบังคับแต่บางครั้งงานก็อยูุประสังนะเพราะไม่ได้ยังใจหรอกอย่างบางวันเจอวิดีโอเนี่ยมันเกเรขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าวิดีโอ กับเสียงเนี่ยมันคนละคนละอย่างกันนะเพราะว่าอัดเสียงเนี่ยวีดีโอถ่ายจากกล้องเพราะงั้นเสียงอาจารย์จะไม่ชัดฟังไม่รู้เรื่องหรอกจอเสียงที่เราอัดทีเราประสมกันให้ปากอาจารย์ตรงตรงนี้บางทีก็ทําง่ายเพื่เดียวผ่านเลยแต่บางวันเนี่ยทําไปสิบครั้งก็ไม่ผ่านเพราะว่างานเนี่ยไม่หมูอย่างวอย่างวันเนี้ยขอที่อารามจะมานั่งเนี่ยอารามาทำจนใหญ่เลยไม่ผ่านต้องยอมแพ้เพราะว่าเวลานบีบทํเท่าไหรปากอาจารย์ก็ไม่ตรงที คือคนคนที่เขาเป็นเซียนฟังเขารู้เลยเลยเอาเดี๋ยวว่างว่าค่อยทําทแล้วก็อีกหลายเรื่องอยังถ่ายรูปเนี่ยอุปสรรคอันมาเยอะมากถ่ายรูปเนี่ยอันมาเปิดใจกว้างนะจากถ่ายไม่เป็นเนี่ยเมื่อก่อนซื้อกล้องมาต้องให้อาจารย์ทุ่มสอนกดยังไงมันไม่ง่ายอะ่ะคนทั่วไปพอมีโทรศัพท์ก็ถ่ายรูปแล้วก ด, ล, วกดละแต่เขาไม่รู้ว่าถ่ายเพื่ออะไรอันมาถ่ายรูปครั้งแรกๆเนี่ยถ่ายอาจารย์ภาษาเล่เทปหมดเลยยุคแรกๆนะส่วนมากอาศัยภาพของวิชยัยบ้างนกคกู่บ้าง ของเต่าบ้างมาโพสตัวเองไม่มีรูปหรอกเพราะกล้องก็ราคาถูกกล้องตัวสองพันเนี่ยพาไปแต ก, แ ต, กตัวเองก็ถ่ายไม่เป็นพอตอนหลังมหัดทายก็มาเจอครูดีก็คือวิชัยเลยแหละวิชัยนาพัลเนี่แหละแกพูดตรงนะแค่บอกหลวงพี่สุรินทายได้ไงเนี่ยฉากหลังก็ใช้ไม่ได้สื่ออะไรกันแน่ถ่ายกดมั่งถ่ายอะไรนะคือถ่ายมั่วแหละเขาเข า, เขาเห็นปุ๊บเขาตำหนิเนี่ยเราปิ้งขึ้นมาเลยนะตอนหลังเนี่ยรูปเนี่ย เราค่อยพัฒนามาเพราะวิชัยเป็นเหตุอันนี้ค น, นี้สงการที่เปิดใจกว้างยอมรับ ก, การเรียนรู้แต่ถ้าโยมไม่ยอมรับ ก, การเรียนรู้จะกดวิชัยเฮ้ยวิชัยเป็นพระเปโยมมาบอสสอนพระได้งไงอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยไปเราก็จะโง่เหมือนเดิมแล้วเราก็พัฒนาไปเรื่อยจากกล้องโหล ก, ก็กลายเป็นกล้องดีขึ้นแล้วก็คุณภาพของการถ่ายก็เริ่มจะมีมุมกล้องมากขึ้นมีหมามีแมวมีเด็กอะไรพวกเนี้ยคือให้โยมเขาเห็นแล้วมีความสุขไงเพราะว่าโยมเนี่ยจะชอบชอบเด็ก ชอบหมาชอบแมวเพรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่ารักคือทําให้ไม่แข็งถ้ามีคนอย่างเดียวจะแข็งไปเพราะนนั้เวลาอาจารย์ภาษาพิศวาสเนี่ยอาจารยจะดักถ่ายใจากับหมาางทีหมามามาแจมด้วยเงี้ยจะมีหลายภาพที่น่ารักอยู่คนเขาเห็นรูปสวยเขาก็มาอ่านข้อเขียนด้วยข้อเขียนสั้นๆแล้วก็เริ่มทำตัวนี้มาเป็นไอเดียแรกๆจนคนเขาคิดว่าอาจารย์เลี้ยงหมาเพียบเลยส่งอาหารหมามาก็มีเพราะที่อาจารย์ไม่ได้เลี้ยงหมาเลย แต่ว่าไอาการที่เฟซบุ๊กมีแต่หมาไงอย่างเสียงที่อธิมาไปล ง, ลงเน็ต น, นะบางทีเดี๋ยวนี้อาจารย์ตหมิงก็เอาไปเปิดให้ญาติโยมฟังได้พ่อไม่ออกฟังเดี๋ยวนั้นได้เลยเพราะอธิบายก็ส่งลิงก์ให้เรื่อยแค่อาจารย์ไปสายพูดจบก็เปิดได้ละเดี๋ยวนี้โลกเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเราใช้เป็นประโยชน์นะมันก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าคนใช้ไม่เป็นนะก็เป็นโทษไม่กันละอย่างพระถ้าเล่นไม่เป็นก็ไปดูดูหนังอะไรทั้งวันไม่ทําประโยชน์แต่เราสามารถ เอามาใช้เผยแผ่ธรรมะได้เผยแพร่ธรรมะช่วยคนได้บางทีคนทุกข์ทรมารยเนี่ยมาถามปัญหาอะไรเงี้ยปั๊บเดียวหรือส่งของส่งรูปส่งไฟล์เสียงอะไรพวกเนี้ยรวดเร็วถ้าเราใช้สื่อเป็นนะมันก็ดาาสองคมอะ่ะมีทั้งโทษแล้วก็คุณอยู่ที่ผู้ใช้อยาละ ม, มาเนี่ยอาจจะเป็นกรรมเก่าก็ได้ที่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยสำรวมก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาทํางานที่คนอื่นเขไม่ทากันหรอกอย่างพาร์ถ่ายรูปเนี่ย อันมาเชื่อว่าไม่มีใคใจถึงเท่าอันมาในวัดนี้นะกล้าพูดได้เลยการถ่ายรูปเนี่ยคนอื่นเขากลัวเพราะอานมาไม่กลัวเพราะบางทีอย่ารูปหลวงพ่อเนี่ยมากล้าถ่ายจนเมื่อก่อนโดยโยมว่าประจําแต่ตอนนี้นึกขึ้นมานะรูปหลวงพ่อเนี่ยมีความหมายกับทุกคนเลยก่อนที่หลวงพ่อจะเสียเนี่ยเป็นรูปประวัติศาสตร์ถ้าชุดนั้นอันมาไม่ถ่ายหลวงพ่อก็จะไม่มีรูปต้องเยอะแยะช่วงบัตรป่าสุดท้ายอะต่อให้ใครมาด่าเราใค่ไหนนะมันก็คุ้มครับางอย่าง ถัวแรกกันทุกอย่างต้ตองมีจ่ายค่าตอบแทนของฟรีไม่ไดโลกก็อันมาเห็นจริงจริงนะแต่มีอนนี้สงงานที่ทําทุกชนิตเนี่ยอันมาก็เทพเป็นเพราะว่าโพสธรรมะลงเฟซบุ๊กแล้วแหละตอนหลังเนี่ยเราโพสทุกวันทุกวันบางทีไม่ได้เตรียมเรื่องมาเทพหรอกเหมือนก็เกิดปิงขึ้นมาทีเลยบางทีบางทีบรรลัยธรรมะบรรลัยเพราะว่าตัวเองโพสธรรมะบ่อยแกมันจะรู้หมวดเรื่องนู้เรื่องนี้บางทีพูดได้ประเด็เลยวันนี้จะพูดเรื่องตายนะ วันนี้จะพูดเรื่องทุกนะวันนี้จะพูดเรื่องเขาเจ็บป่วยนะวันนี้จะพูดเรื่องแต่เกกรื่องกรรมานเนีมาไม่ค่อยชอบพูดเพราะเลยวัดเนี่ยคนพูดเยอะแล้วรู้สึกตัวน่ยรู้สึกว่ามันไม่ท้าทายโยมก็ฟังแล้วหลับอะ่ะเพราะธรรมดาธรรมะเนี่ยเราอยากผมไม่เขาแต่แรกเนี่ยอย่างเราเสนอให้โยมฟังเราเนี่ยสมมติฟังบ้างไม่ฟังบ้างฟังไปไดสิบเปผู้พูดก็ได้ประโยช น, น์นะดีกว่าพูดตะกัดต้นแล้วไม่ฟังเลย อันมาที่อัดเสียงตัวเองทุกครั้งเนี่ยเพราะอันมามีควารู้สึกว่าต้องทำการบ้านเพราะว่าบางทีเราพูดแล้วมีจุดอ่อนบางเพราะว่าอันมาติดทิศสัยจากอาจารย์บางทีต่อให้สามคนเราก็ต้องอัดเราทำอย่างงานยากถ้าเราไม่อัดเราไม่เห็นจุดอ่อนตัวเองเวลาพูดเนี่ยมีจุดอ่อนตรงไหนบ้างประเด็นไม่ชัดเจนบางทีพูดแล้วประเด็นไม่ชัดเจนเนี่ยโยมก็ไม่สนใจฟังนะแต่ถ้าเป็นชัดเจนเนี่ยหรือมีเรื่องเล่าเนี่ยโยมก็ตั้งใจฟังอย่าจะไปสารตีไปเด็นแตก ท่านเทศเนี่ยประเด็นประเด็นตีแตกพูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแต่นั่นพอสว่าคของท่านหาหาคนพูดอย่างนั้นยากอนมามัยเห็นอาจารย์หลายคนที่พูดเนี่ยหลายที่นะมันพูดอาจารย์ไปสายไม่ได้ตีเรื่องให้แตกเนยตีประเด็นให้แตกทําเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากเอ้ยไม่ใช่ทําเรื่องยากเป็นเรื่องง่าย <c oughs> <laughs> ตรงนี้แหละพราะโยมได้ประโยชน์ไงพ อ, พอฟังแล้วเกิดไอเดียขึ้นมาปิงขึ้นมาเนี่ย เอามาใช้ได้เลยนะกําลังทุกขนาดไหนพอฟังแล้วก็มันก็หายทุกอะ่ะสมมุติเราเจอคนทุทกกว่าเราอะ่ะอารมณ์นั้นมันหายนะเพราะคนเราชอบเปรียบเทียบคนที่สุกกว่าคนรวยกว่าคนที่ดีใจมากหัวเราะง่ายเนี่ยเวลาทุกเนี่ยจะทุกมากเพราะถ้าฝึกปล่อยวางก็เราฝึกปล่อยวางกับชีวิตประจำวันนั่นแหละของหายของเจ้งของพังถูกคนตนําหนิถูกคนว่าถูกคนขัดใจ ดินฟ้าอากาศไม่อำนวยเดี๋ยวยุงมากไปยุงกัดร้อนไปอารมณ์พวกนี้มาสอนธรรมะเร า, มาแมลงต่างๆก็เหมือนกันเดี๋ยวมดขึ้นกุดอะไรเงี้ยหรือเจอต้นไม้โดนโด น, โดนพวกพียกินเจอมแมลงผีเสื้อกินหรือละปลูกดีๆไ ม, ไม่ไม่มีอะไรมากินต้นไม้ใหญ่ทะลึง่ง ล, ล, ล้มหักล้มหักทับตายก็มีคือมันทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของที่ไม่แน่นอนอะ่ะ ต้องเหลือ ก, การควบคุมของเราอย่างเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยอารมาเนี่ยไปเยี่ยมพระเพื่อนที่แคมป์สนแล้วก็ท่านก็พาเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แหละแล้วท่านก็ตั้งใจจะมาส่งอารมาที่วัดป่าสุกโ ต, โตแต่วันที่เดินทางกลับเนี่ยอันบาก็ตามหลังรถรถเชียงรายขนแก่นซึ่งรถคันนี้ถ้าเกิดอาจารย์ท่านนี้ไม่มาส่งนะอารมาก็ต้องนั่งผลปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตรุรถคว่ำอยู่ข้างทาง อันมาผ่านมาเห็นเลือดกองเต็มเลยรถพังลงหนังสือพิมพ์ด้วยเลยน้ำหนาวมาหน่อยตรงนั้น อ, อันมาสียเวทใจมากโอ้โหชีวิตคนเราเนี่ยอาจารย์ไพสาลพูดไว้ว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้อชาติหน้าไหนจะมาก่อนอันนี้จริงๆนะสมมุติถ้าอันมามารถคันนั้นอะ่ะสมมุติว่าคนขับคนขับไม่มาเนี่ยอันมามาไม่ได้แล้ต้องนั่งรถคันนั้นแล้วเที่ยวเดียวด้วยนะที่มาสุกโตได้เขาเตาหลงวิจุมแพรแล้วต่อรถไปแก๊งคอ ป่านนี้อาณาจกรก็ไม่ได้มาเทศน์ยอมฟังหรอกคงจะอยู่แถวโรงพยาบาลแถวๆนั้นแหละนึกถึงงานที่ส่์การปล่อยปา่าทีช่วยเราได้นะถ้าเราคาดแควมีจุดเริ่มต้นก็ต้องมีจุดจบขึ้นเขาต้องลงเขาให้เป็นบางคนไม่ยอมลงก็ตายบนเขาแลแหละก็มีหลายรายตายขณะอยู่บนเขาไม่ยอมใช้ชีวิตปกติยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวชีวิตเคืออาาเห็นไปหลายรายแล้วระดับเจ้าคุณเนะี่ย เจ้าคณะภาคเนี่ยก็ตายบางทีมีทรัพย์สมบัติมากมายมีรถหรูมีกุหรูมีตังธนาคารมากมายก็ตายเมื่อไม่กี่วันก่อนก็เจ้าวาดชื่อดังก็ตายอาจารย์พิภพที่เป็นเจ้าวาดวัชระกมลในประเทศไทยพระส่วนมากจะรู้จักท่านเนี่ยจัดไปดิวาดทั้งปีแล้วเป็นที่ชุมมุมงจอมยุทธเลยคือพระในประเทศไทยนยส่วนใหญ่ไปเข้าปริวาสที่วัชระกมลชุมบุรีท่านก็ อายุยังน้อยกว่าจะารยปีานเลยก็ตายไปแล้วทั้งที่ท่านก็ทางวัดบ้านคงมากเลยวัดสร้างบารมีแบบมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ฟาร์มตายเนี่ยไม่เคยบอกว่าใครยากดีบีจนทุกคนต้องไปต้องตายไม่บอกอายุว่าคนที่อายุเท่าในวันนี้ถึงเวลาก็ต้องตายอาจารย์เปสารก็สอนบ่อยพูดเรื่องคนนี้แหละธรรมะขออาจารย์เปี่ยศานใช้กับชีวิตประจำวันได้คือให้ปล่อยวาง หวังใจให้เป็นแล้วก็ยิ่งอยากยิ่งไม่ได้ยิ่งให้ยิ่งได้อะไรพวกเนี้ยอัมาจํามาเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็เปลี่ยนฉลาดทําใจอะไรเงี้ยถ้าโยมสงสัยก็ไปถามอาจารย์ไปถาเขาเองอัลมาเขาจะมาพูดแต่ก็ได้ประโยชน์นะเพราะว่าโยมอาจจะฟังหัวข้อปิงแล้วก็ไปหาหนังสือฉลาดทําใจอ่านเออมีอีกเล่มหนึ่งหนังสือเสามสลึงสามสลึงสามสลึงเนี่ยน่าสนใจมากเลย ชื่ออะไรอาจารย์ชื่อสามถลึงบอกสารค <laughs> สารขัญสารคัญสารคัญจะเสียดายหาเล่มหนึ่งไม่ได้รู้สึกว่ามีอาจารย์ทำสองเล่มใช้นาปากกาสามถลึงสาระมีฟาร์มขำขันอยู่คนเราบางคนเนี่ยเป็นคนที่เครียดอะเราพูดสมาให้แบบตรงๆไม่ได้นะจะรับไม่ได้ต้องพูดแบบําๆแล้วก็จะรับได้ เน้นก็เหมือนกันถ้าเนนเนี่ยนักเทศบังคนเนี่ย ب, พูดตรงๆเนเนไม่รับหรอกเนนรับแต่ถ้าพูดเล่านิทานหรือให้ข้อคิดอะไรที่ก็ตรงจริตเขาเนี่ยเขาสามารถมาฟังเราได้อย่างสารคันข อ, อาจา่ายก็เหมือนกันสามารถทำให้คนเนี่ยอ่านธรรมะง่ายขึ้นใจก็อยากให้อาจารย์เขียนเขียนชุดใหญ่ละชุดหนึ่งสารคดนนีมีคนตามอ่านเยอะอยู่ สุดท้ายนี้ก็ขอให้อาจารย์เนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงเป็นล้มโผล่ล้มไซายของลูกศิษย์ลุกหาไปานานๆขอจบแค่นี้ครับอาจารย์